ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดําริว่ากุณระบุตรนี้ประพฤติหน้าเลื่อมใสหนอทางที่ดีเราควรจะถามดูจึงตรัสถามท่านปุ ก, กุสาติว่าภิกษุท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครท่านปุ ก, กุสาติตอบว่าท่านผู้มีอายุมีพระสมณะโคดมผู้ศักยบุตร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 เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเข้าพเจ้าบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเข้าพเจ้าและคข้าพระเจ้าชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นภิกษุก็บัรนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ณที่ไหน ท่านผู้มีอายุบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีในอุตรชนบทก็ท่านเคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นหรือและท่านเห็นแล้วจะรู้จักหรือท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเลยและเห็นแล้วก็ไม่รู้จักลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงดำริว่ากุลบุตรนี้บวชอุทิศเราทางที่ดีเราพึงแสดงธรรมแก่เขาครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านปุกุสาติมาตรัสว่าภิกษุเราจักแสดงธรรมแก่เธอเธอจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านปุกุสาติทูลรับสนองพระดารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีาธ 6, มสส า, าตุหกมีภาษาญาณนะแดนเกิดแห่งภัษสหกมีมโนปวิจารณ์ความนึกน่วงทางใจสิบแปดมีอธิฐานธรรมธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสีเมื่อความกำหนดหมายซึมซาบไม่ถึงบุรุษผู้คงอยู่ในอธิสถานธรรมบัณฑิต จ, จึงเรียกบุรุษนั้นว่า มุนีผู้สงบแล้วบูรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มภูนจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นนี้เป็นอุเทศแห่งธาตุวิพังหกประการ เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีธาตุหกประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุธาตุหกประการนี้คือ 1. ปัทวีธาตุธาตุดิน 2. อาโปธาตุธาตุน้ำา 3. เตโชธาตุธาตุไฟ 4. วายโยธาตุธาตุลม 5. อากาศธาตุธาตุคืออากาศ วิญญาณธาตุธาตุคือวิญญาณคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีธาตุหประการนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุ บุรุษนี้มีภาษายาตณะ6ประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. ภาษายตณะคือจักขุ 2. ภาษายตณะคือโสตะ 3. ภาษายตณะคือคานะ 4. ภาษายตณะคือชิวหา 5. ภาษายตณะคือกาย 6. ภาษายาตณะคือมโน คำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีภาษายตนะ6ประการนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีมโนปวิจารส์18 เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลเห็นรูปทางตาแล้วย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องโภทพะทางกายแล้ว รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงธรรมารม์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกหน่วงธรรมารมณอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาความนึกหน่วงโสมนัสหความนึกหน่วงโทมนัสหความนึกหน่วงอุเบกขาหย่อมมีด้วยประการชนี้คําที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุ บุรุษนี้มีมโนปวิจารณ์สนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีอธิฐานธรรมสี่ประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ หอธิฐานธรรมคือปัญญา 2. อ, อธิฐานธรรมคือสัจจะสอธิฐานธรรมคือจาคะ 4. อธิฐานธรรมคืออุปสมะคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีอธิฐานธรรมสีประการนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ 6ประการเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มภูนจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาเป็นอย่างไรคือธาตุหประการ น, นี้ได้แก่หนึ่งปฐวีธาตุสองอาโปธาต 3. เตโชธาต 4. สวายโยธาต 5. อากาศธาต 6. วิญญาณธาต์ปัทวีธาตเป็นอย่างไรคือปัทวีธาตภายในก็มีปัทวีธาตภายนอกก็มีปัทวีธาตภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินากะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของแข่งแข็งเป็นของหยาบได้แก่ คมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรืออุปาทานการรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของแข็งแข็งเป็นของหยาบนี้เรียกว่าปฐวีาธาตุภายใน ปัทวีธาตภายในและปัทวีธาตภายนอกนี้ก็เป็นปัทวีธาตุนั่นเองบัณฑิตควรเห็นปัทวีธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นปัทวีธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อนายในปัทวีธาตุและทาจิต คลายกำหนัดจากปทวีธาตุอาโปธาตุเป็นอย่างไรคืออาโปธาตุภายในก็มีอาโปธาตุภายนอกก็มีออาโปธาตุภายในเป็นอย่างไรคือ อุปาทินากะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบได้แก่ดีเศเลฐหนองเลือดเหงื่อน้ำตามันข้นเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไข่ข้อมูดหรืออุปาทินากะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบนี้เรียกว่า อาโปาธาต์ภายในอาโปาธาต์ภายในและอาโปธาต์ภายนอกนี้ก็เป็นอาโปาธาต์นั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอาโปาธาต์นั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั <i> ่น uh, ไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอาโปาธาต์นั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปาธาต์และทำจิต ให้คลายกำหนัดจากอาโปธาต์เตโชธาตเป็นอย่างไรคือเตโชธาตภายในก็มีเตโชธาตภายนอกก็มีเตโชธาตภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินากะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตน เป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนได้แก่ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้อบอุน่นธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้สุดโซมธรรมชาติ ท, ท, ที Leonardo, ่เป็นเครื่องทำร่างกายให้เร่าร้อนธรรมชาติที่เป็นเครื่องย่อยสิ่งที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วและลิ้มรสแล้วหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตน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 ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อนายในเตโชธาตและทำจิตให้คลายกำหนัดจากเตโชธาตวายโยธาตเป็นอย่างไรคือวายโยธาตภายในก็มีวายโยธาตภายนอกก็มี วายโยธาดภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมาได้แก่ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมที่แล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใด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 ครั้นเห็นวายโยธาตนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อนายในวายโยธาตและทำจิตให้คลายกำหนัดจากวายโยธาตอากาศาธาตุเป็นอย่างไรคืออากาศาธาตุภายในก็มี อากาศสาธาตภายนอกก็มีอากาศสาธาตภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินากะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นสภาวะว่างเปล่ามีความว่างเปล่าได้แก่ช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องสำหรับกลืนของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มรสช่องที่พักอยู่แห่งของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มและ ช่องสำหรับของกินของดื่มของเคี้ยวของลิม้มไหลลงเบื้องต่ําหรืออุปาทินากะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นสภาวะว่างเปล่ามีความว่างเปล่านี้เรียกว่าอากาศสาธาติภายในอากาศสาธาติภายในและอากาศสาธาติภายนอกนี้ก็เป็นอากาศสาธาตินั่นเองบันดิต เพิ้นเห็นอากาศธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเร า, เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอากาศธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อนายในอากาศธาตุและทำจิตให้คลายความกําหนัดจากอากาศธาตุ ทีนั้นวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดพองเหลืออยู่บุคคลย่อมรู้เรื่องอะไรอะไรได้ด้วยวิญญาณ น, นั้นคือรู้ว่าสุขบ้างรู้ว่าทุกบ้างรู้ว่าอทุกขมสุขบ้างเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาอยู่ รู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นนั่นแลดับสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาที่สวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไปเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกเวทนาทุกเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อสวยทุกเวทนาย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นนั่นแลดับทุกขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไปเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิด บุคคลนั้นเมื่อเสวยอาทุคมสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยอาทุคมสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาทุคมสุขเวทนานั้นนั่นแลดับอทุคมสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาทุคมสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไป เปรียบเหมือนไม้สองอันเสียดสีกันจึงเกิดความร้อนไฟลุกขึ้นเพราะแยกไม้ทั้งสองนั้นออกจากกันความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีนั้นจึงดับระงับไปแม้ฉันใดบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อสวยสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่า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 อทุคมสุขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยอทุคมสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยอทุคมสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุคมสุขเวทนานั้นนั่นแลดับอทุคมสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุคมสุขเวทนา ที่สวยอยู่อันเกิดจากภัสสะนั้นก็ดับคือสงบไปทีนั้นอุเบขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่อนเหมาะแก่การใช้งานและผ่องใสเหลืออยู่ เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองผู้ชำนาญกระเตรมเบ้าแล้วสูมปากเบ้าเอาคีมขี้ทองใส่ลงที่ปากเบ้าแล้วสูบลมตามสมควรแก่เวลาเอาน้ำประพรมตามสมควรแก่เวลาเพ่งดูตามสมควรแก่เวลาทองนั้นเป็นทองที่ถูกไล่ขี้เขม่าหมดแล้วจึงเป็นทองอ่อนเหมาะแก่การใช้งาน ผุดพองและช่างทองหรือลูกมือของช่างทองมุ่งหมายจะทำเครื่องประดับชนิดใดๆคือแผ่นทองต่างหูสร้อยคอหรือมาลัยทองทองนั้นย่อมอำนวยประโยชน์ให้เขาได้แม้ชันใดอุเบกขาอื่นก็ชันนั้นเหมือนกันเป็นอุเบกขาบริสุทธิ์ผุดพองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานและผ่องใสเหลืออยู่ บุคคลนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสาณญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยอากาสาณาจารยตนะฌานนั้นยึดอากาสาณาจายตนะฌานนั้นคงอยู่ตลอดกาลนาน ถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้เข้าไปสู่วิญญาณัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นยึดวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นคงอยู่ตลอดกาลนานถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้ เข้าไปสู่อากินจัญญายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยอากินจัญญายตนะฌานนั้นยึดอากินจัญญาญตนะฌานนั้นคงอยู่ตลอดกาลนานถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่เนวสัญญานาสัญญาญาตนะฌาน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 สุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสานัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็จะเป็นจิตที่ pattern, ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วถ oh. ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่วิญญาณัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้น จิตนี้ก็จะเป็นจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้เข้าไปสู่อากินจัญญายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็เป็นจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้เข้าไปสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน และอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ชา น, นั้นจิตนี้ก็จะเป็นจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วภิกษุนั้นจะไม่ปรุงแต่งจะไม่คิดถึงความเจริญหรือความเสื่อมเลยเธอเมื่อไม่ปรุงแต่งไม่คิดถึง ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวาดหวัน่นเมื่อไม่หวาดหวัน่นย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนเท่านั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ภิกษุนั้นสวยสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอสวยทุกขเวทนาจึงรู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลิน ถ้าเธอเสวยอาทุคธมสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าอทุคธมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุนรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยสุขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากกิเลส สวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอสวยทุกขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากกิเ ล, ลสสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอสวยอทุกขมสุขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากกิเ ล, ลส Rhodes, ana, สวยอทุกขมสุขเวทนานั้ น, นาาเธอเมื่อสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุด จึงรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากตายไปเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจากเย็นในโลกนี้ทีเดียวภิกษุเปรียบเหมือนตะเกียงน้ำมันติดอยู่ได้ เพราะอาศัยน้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันนั้นย่อมหมดเชื้อดับไปเพราะหมดน้ำมันและไส้และเพราะไม่เติมน้ำมันและไส้ใหม่แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุด รู้ชัดว่าหลังจากตายไปเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจากเย็นในโลกนี้ทีเดียวเพราะเหตุนั้นภิกษุผู้เพียบพร้อมแล้วอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรมคือปัญญาอันยอดเยี่ยมนี้เพราะว่าปัญญาอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นทุกขทั้งปวง ความหลุดพ้นของภิกษุนั้นเป็นอันตั้งอยู่ไม่คลิบเคลิ้มในสัจจะเพราะว่าสิ่งใดมีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของเท็จสิ่งใดไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของจริงคือนิพพานเพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือสัจจะอันยอดเยี่ยมนี้เพราะสัจจะนี้ เป็นบรมอริยสัจคือน mm ิพ hmm. พานอันไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาอันหนึ่งอุปธิทั้งหลายของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแหลเป็นอันเธอสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเธอและอุปธิเหล่านั้นได้แล้ว ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือจาคาอันยอดเยี่ยมนี้เพราะว่าจาคาอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความสละคืนอุปธิทั้งปวงอันหนึ่ง อภิชาคือความพอใจความกำนัดยินดีของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลมีอยู่เธอละอภิชาคือความพอใจความกำนัดยินดีได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ความอาฆาตคือความพยาบาท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 คืออุปสมะอันยอดเยี่ยมนี้ความสงบระ ง, งับราคะโทสะโมหะนี้เป็นความสงบระ ง, งับอันประเสริฐยอดเยี่ยมคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มภูณจคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าเมื่อความกำหนดหมายซึมซาบไม่ถึงบุรุษผู้คงอยู่ในอธิฐานธรรมบัณฑิตจึงเรียกบุรุษนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุความกำหนดหมายว่าเรามีความกำหนดหมายว่าเราไม่มีความกำหนดหมายว่าเราจากมีความกำหนดหมายว่า เราจะไม่มีความกําหนดหมายว่าเราจะมีรูปความกําหนดหมายว่าเราจะไม่มีรูปความกําหนดหมายว่าเราจะมีสัญญาความกําหนดหมายว่าเราจะไม่มีสัญญาความกําหนดหมายว่าเราจะมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ความกําหนดหมายเป็นดุดโรคความกําหนดหมายเป็นดุดหัวฝี ความกําหนดหมายเป็นดุดลูกศอนแต่เราเรียกภิกษุว่ามุนีผู้สงบแล้วเพราะก้าวล่วงความกําหนดหมายทั้งปวงเพราะว่ามุนีผู้สงบแล้วย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่กําเริบไม่ทะเยอทะยานแม้มุนีนั้นก็ไม่มีเหตุที่ต้องเกิดเมื่อไม่เกิดจะแก่ได้อย่างไรเมื่อไม่แก่จกตายได้อย่างไรเมื่อไม่ตาย จะ ก, กำเริบได้อย่างไรเมื่อไม่กำเริบจกทะเยอทะยานได้อย่างไรคำาที่เรากล่าวไว้ว่าเมื่อความกำหนดหมายซึมซาบไม่ถึงบุรุษผู้คงอยู่ในอธิษฐานธรรมบัณฑิต จ, จึงเรียก บ, บุรุษนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ภิกษุเธอจงจำาธาตุวิพังหกโดยย่อนี้ของเราไว้ นั่นแลท่านปุกุสาติรู้ว่าได้ยินว่าพระาศาสดาของเราเสด็จมาถึงแล้วได้ยินว่าพระสุคตของเราเสด็จมาถึงแล้วได้ยินว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเสด็จมาถึงแล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะขมผ้าเฉวียงบ่าหมอบลงแท่พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญข่าพระองค์ผู้โง่เขลาเบาปัญญามีความผิดที่ข่าพระองค์ได้สําคัญพระผู้มีพระภาคว่าควรเรียกเรื่ววาทะว่าผู้มีอายุขอพระผู้มีพระภาคจงให้อภัยโทษแก่ข่าพระองค์เพื่อสํารวมต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเอาเถอะเธอผู้โง่เขลาเบาปัญญามีความผิด ที่ได้สำคัญเราว่าควรร้องเรียกด้วยวาทะว่าผู้มีอายุแต่เธอเห็นความผิดโดยเป็นความผิดแล้วกระทำาคืนตามธรรมเราก็ยกโทษให้เธอภิกษุก็การที่บุคคลเห็นความผิดโดยเป็นความผิดแล้วกระทำาคืนตามธรรมถึงความสารวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยท่านปุกุสาติกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิดเธอมีบาศและจีวรครบแล้วหรือไม่ครบพระพุทธเจ้าค่าภิกษุตถาคตทั้งหลายจะไม่ให้กุลบุตรผู้มีบาศและจีวรไม่ครบอุปสมบทลำดับนั้นท่านปุกุสาติชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาค ลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทาประทักษิณแล้วจากไปสแสวงหาบาศและจีวรท่านใดนั้นเองแม่โคได้คุยกท่านปุกุสาติผู้กำลังเที่ยวสแสวงหาบาศและจีวรเสียชีวิตครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร เดียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่ากุลบุตรชื่อปุ ก, กุสาติที่พระผู้มีพระภาคทรงโอวาท ด, ด้วยพระโอวาทโ ด, ดยย่อ น, นั้นตายเสียแล้วเขามีคติเป็นอย่างไรมีสัมปรายพเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุ ก, กุสาติกุลบุตรเป็นบัณฑิตได้บรรลุธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วและเธอ ไม่ให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมเพราะโอรัมภาคียสังโยชน่าสิ้นไปปุกุสาติกุลบุตรจึงเป็นโอปปาติกะจะนิพพานในโลกนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัพย์สิทธิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล ทาตุวิพังคสูตรที่10จบ